เหตุการณ์ของพูดผีปีศาจ ต, ตอนนี้นายทองคำบันทึกจากในช่ฉช่างตัดผมอีกทอดหนึ่งจึงได้รวมบันทึกเข้าไว้ในขบวนพูดผีปีศาจในเรื่องนี้ด้วยในสมัยหนึ่งโน้นร้านตัดผมไทยในกรุงเทพแม้จะมีอยู่ทั่วไปก็ตามแต่มีอยู่แหล่งหนึ่งเป็นที่รวมของร้านตัดผมมากร้านและติดติดกันเป็นหมู่ นั่นคือแพร่งภูทรซึ่งเป็นแหล่งที่ข้าราชการมหาดไทยกลาโหมมาตัดผมกันที่นั่นเป็นส่วนมากผมก็เฮโลมาตัดกับเขาที่นั่นโดยเพื่อนฝูงแนะนำมาผมติดฝีมือและอุปนิสัยของนายฉ่ำเจ้าของร้านตัดผมในกลุ่มนั้นจึงถือเอาเป็นร้านประจําเลยร้านของนายฉ่ำมีช่างประจําอยู่สองคนคือผู้มาตัดโดยส่วนแบ่งและก็ตัวของแกเองซึ่งเป็นเจ้าของด้วยและทาการตัดผมไปด้วย ในครอบครัวของแกมีลูกสาวคนหนึ่งไม่สวยแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่นักในช่ารักดั่งดวงใจเพราะกำพร้ า, ามานดามาตั้งแต่รุ่นรุ่นแกก็อยู่กับลูกสองคนมาโดยตลอดและไม่ยอมมีภรรยาอีกเลยเพราะแกรักลูกแต่บัดนี้ในช่าได้มีลูกเขยคนหนึ่งเป็นข้าราชการกาลาโหมตำแหน่งเสมียนเป็นขาประจาตัดผมแล้วก็เลยได้เสียกับลูกสาวของแก วันหนึ่งผมนั่งตัดผมโดยนายฉำผู้สูงอายุเป็นผู้ตัดประจำผมเห็นตัวอักษรบรรทัดหนึ่งเขียนด้วยช็อกสีขาวที่กระจกด้านล่างว่าอย่าเมารักจะลืมแก่ผมนึกขำในพาสิทธิ์ของแกก็เลยถามว่าลุงไปได้พาสิทธิ์นี้มาจากไหนผมถามไปอย่างสนุก เพราะคำเตือนสตินั้นก็เป็นคำง่ายๆและมีอยู่ทั่วๆไปในหมู่ของคนมีอายุคล้ายๆจะเตือนแกมล้อกันเล่นลุงฉับได้ยินผมถามแกก็หันมามองดูที่ตัวอักษรที่บันกระจกพร้อมกับหัวเราะของผมเองเลยละ่ะเขียนเตือนใจตัวเองเพราะโดนดีมาแล้วก็เลยเตือนใจไว้ไม่ให้เผลออีกแกพูดพร้อมกับหัวเราะหึๆผมเองก็ไม่อยากจะดูเรื่องอะไรของแกนักก็เลยนิ่งเฉยแต่แกก็ยังติดใจในคำพังเพยของแกอยู่ดี แกก็เลยพูดต่อไปอย่างสบายอารมณ์หรือเป็นคนช่างพูดช่างคุยตามประษาของช่างตัดผมจะต้องมีเรื่องอะไรต่อมิอะไรมานําเสนอลูกค้าของตนเพื่อความเพลิดเพลินในระหว่างที่ให้แกตัดผมแล้วก็แต่งผมให้ผมจะรึกลงในหัวใจเลยแหละคุณเอ้ยแกพูดต่อไอเรื่องเมารักจนลืมแกนี่แหละแกหยุดตัดหน่อยนึงหันไปเปลี่ยนกันไกใหม่ที่เล็กลงหน่อยแล้วก็พูดต่อว่าผมก็แก่อย่างนี้แหละครับ แต่บังเอิญไปได้ภรรยาใหม่มาอายุอานามก็เท่ากับลูกสาวผมนี่แหละไม่รู้มันถูกอุ้มสมกันมาท่าไหนแล้วเราก็มาอยู่ด้วยกันที่ร้านนี่แหละครับแกพูด น, นแน่ตอนนั้นผมยังไม่รู้จักเลยก็เลยไม่เห็นหน้าเมียสาวของลุงผมขัดจังหวะแล้วเดี๋ยวนี้ยังอยู่หรือเปล่าครับลุงโอ้ยเชิดชิงไปแล้วแกพูดแล้วก็หัวเราะเสียงดังโหยมีเรื่องใหญ่โตเชียวคนเรา ผมละมันซวยนักผับผาสิเพราะอีนางมานเนี่ยเข้ามาร่วมหมอนนะสิลูกเต้าผมแย่คุณเอ้ยเกิดมาเป็นลูกผมรักดังดวงใจมันกำพร้าแม่ผมไม่เคยตีแปะเดียวแต่เอ๊มาเกิดตีลูกเข้าได้ใจหายจนเดี๋ยวนี้เชียวคุณแกหยุดพูดแล้วเปลี่ยนหวีเปลี่ยนกันไก่ของแกอย่างวุ่นวายกว่าจะตัดเสร็จแกก็ยังคงเปลี่ยนของแกไปเรื่อยๆแกตัดช้าแต่ว่าประณีเรียบร้อยดี มันทะเลาะกับลูกสาวผมเรื่อยขึ้นคันแรกผมก็ห้ามทั้งสองฝ่ายหุนแล้วก็หนเล่าขอก็แล้วดุก็แล้วไม่หายทะเลาะกันสักทีนางเมียผมมันก็ฟ้องผมท่านั้นท่านี้ลูกสาวผมก็ฟ้องผมว่าเมียผมทําไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมกลุ้มใจแทบจะเป็นบ้าอีกวันหนึ่งผมกําลังมีเรื่องกลุ้มเกี่ยวกับมีหนี้สินอะไรอยู่บ้างเอาอีกแล้วเสียงเจี๊ยวเจ้าจากข้างบนแล้วลูกสาวผมก็ลงมาฟ้องผมข้างล่าง ผมกำลังเดือดดานอยู่ทางหนึ่งยังไงผุนผันตบหน้าลูกเข้าหลายฉาิลูกผมหลบเข้าหลังห้องไม่พูดและไม่เถียงจนคำเดียวผมได้สติยืนงงเป็นครู่ในขณะนั้นมีลูกค้าผมคนหนึ่งชื่อนายจรินเขามีกิริยาฮึดฮัดไม่พอใจการกระทำของผมในตาเขาขุ่นหน้าเฮี้ยมเกรียมในขณะนั้นผมกำลังดีเดือดอยู่ออกปากขอโทษเขาที่ผมทำกิริยาไม่ดีต่อหน้าลูกค้า ลุงเชื่อมียใหม่ตีลูกตัวเองนายจรินพูดกระโชกใส่หน้าผมผมกำลังคลั่งก็เลยรู้สึกสะอึกใจเอ๊ะผมขอโทษคุณแล้วแต่จะเชื่อเมียหรือตีลูกมันเรื่องของผมผมก็เลยพูดอย่างเดือดนิดหน่อยเขาทำตาถลนและหัวเราะใส่หน้าผมอย่างกระชากและพูดว่าดีแล้วเรื่องของลุงน้ำตาจะเช็ดหัวเขา่าจะบอกให้เขาพูดแล้วก็ลงส้นเสียงดังปังออกจากร้านผมไป ผมสะบัดหน้าอย่างโกโรธนึกในใจว่าจะไปก็ไปสิขาดลูกค้าไปคนเดียวจะเป็นอะไรไปเรื่องในบ้านเราใครจะเข้ามาเกี่ยวทําไมกันเด็กเมื่อวานซืนผมหงุดหงิดใจผมก็เลยตัดผมไม่ได้ปล่อยให้คนตัดแบ่งเขาทำคนเดียวผมผุนผันไปกินเหล้าดับอารมณ์กินซะแปะกลับมาผมไม่พูดกับใครทั้งนั้นทั้งลูกทั้งเมียไม่อยากพูดพอจวนค่ำผมออกจากบ้านไปกินข้าวที่ร้านเจ๊ก จะกินทําไมที่บ้านมันไม่สามาคัคคีกันจะกินมันทําไมกินร้านเจ็คให้รู้แล้วรู้รอดอา้าวแล้วทางร้านเขาไม่ทักทวงหรือลุงผมถามปลาวผมไม่ฟังใครผมไม่กินข้าวบ้านซะ3ามวันกลับมาเพียงทํางานแล้วก็นอนแค่นั้นข้าวปลาอาหารไม่ยุ่งด้วยการพูดคุยกันนั้นนางเมียผมมันเง้อหนักๆเข้าก็เลยพูดกันบ้างแต่ลูกเนี่ยผมไม่ได้พูดเลยเขาหลบหน้าผมเรื่อยๆผมตบแรงไปหน้าบวมไปนิดหน่อย เพื่อนๆรุ่นเดียวกันกับเขาก็มาช่วยกันประครบให้ผมชักใจหายแล้วก็สงสารจังแต่คนแก่นะคุณจะขอโทษเด็กก็กระไดอยู่ผมก็ถือเหลี่ยมอยู่บ้างสงสารก็สงสารเห็นหน้าเขาบวมแล้วผมถอนใจแต่มานหนะของคนแก่วางท่าอยู่ก่อนการจะขอโทษลูกเมื่อเราทําผิดไปจะเป็นไรไปพอลูกเราแท้ๆรักเหมือนดวงใจแต่ยังไงไม่รู้วางท่าจนเกิดเรื่องเกิดอะไรรู้ไม่คุณแกถามผม ซึ่งผมก็กำลังนั่งฟังแกเล่าเรื่องไม่รู้จะตอบแกได้อย่างไรว่าแกเกิดเรื่องอะไรอีกลูกสาวผมหนีไปแกพูดอย่างเน้นเสียงอ้าววุ่นละผมโล่งออกมาวุ่นสิแกว่าผมตามแทบพลิกแผ่นดินก็ไม่พบญาติพี่น้องที่ไหนก็ไม่มีผมกลุ้มจะนอนไม่หลับก็เลยหวนคิดไปว่านายจรินพูดใส่หน้าผมว่าน้าตาจะเช็ดหัวเขา่าหรือมอ น, นี่จะทาพิษละสิแต่เอมันจะพบกันได้ที่ไหน ในนั้นไม่ได้โผล่มาอีกเลยมันจะพากันหนีไปได้หรือผมลงความเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ความกลุ่มของผมก็เลยหันเข้าเล่นงานดังเมียเพราะมันทำให้ลูกผมหายไปแกหยุดพูดพร้อมกับยกแก้วน้ำดื่มพอรุ่งเช้าอีกวันและยุ่งเลยเมียผมก็หนีไปอีกคนเอาเงินไปหมดผ้าผ่อนขนเตียนปิดประตูทิ้งไว้เฉยๆผมตื่นเข้ารู้เรื่องตกใจนิดหน่อยงงเหมือนถูกต่อยผมโกรธครับโกรธเมียแต่ไม่ได้เสียดายนะครับ ขอให้เข้าใจความห่วงลูกรักลูกมันกำลังมากกว่าไม่รู้ไปไหนห่วงที่สุดและชีวิตผมเนี่ยจะขาดลูกไม่ได้แน่นอนอ่ะลุงไม่ตามเมียเหรอครับผมถามโอ้ตามมันทำไมมาได้มันก็ไปได้ผมออกสืบออกตามลูกอยู่เกือบสิบวันอ่อนใจไม่รู้เรื่องเงินทองก็ไม่มีผมยืมเพื่อนเขาต่างเห็นใจก็ให้มาเงินที่ผมเก็บไว้ก็ไม่มีแต่นางเมียตัวดีมันรู้ที่เก็บมันก็เลยเอาไปซะด้วย ผมก็เลยเหลือแค่ตัวมีคนทักผมว่าหน้าดําโธ่ทาไมมันจะไม่ดํำละ่ะคิดถึงลูกน้ําตาตกครับพอวันหนึ่งมีคนมากระซิบพูดกับผมว่าขอพูดอะไรส่วนตัวสักหน่อยคนที่ว่าเนี่ยก็ลูกค้าตัดผมของเรานี่แหละเขาชวนผมไปร้านเหล้าพอดื่มเข้าไปคนละแก้วสองแก้วเขาก็บอกว่าเขาจะบอกข่าวดีให้แต่ต้องสาบานกับเขาก่ากอนนะว่าจะไม่ทําโมโหโทโซเขาบอกว่าเขาพบลูกผมแล้วผมดีใจเหมือนได้แก้ว เขาย้ําว่าถ้าผมสาบานจะไม่เอาโทษลูกสาวและจะรับกลับโดยดีแม้คุณเอ้ยผมยกมือไหว้เขาและสาบานต่อหน้าแก้วเหล้าว่าจะไม่โกรธลูกจะรักลูกเหมือนเดิมที่เคยรักเหมือนดวงใจเมื่อผมสาบานแล้วเขาก็บอกว่าลูกสาวเรานะ่ะไปกับนายจรินข้าราชการกาลาโหมใจผมนี่วูบคิดไม่ผิดแต่ไปค้านตัวเองว่าอาจจะไม่ใช่เลยไม่รู้เรื่องทําไมผมจะไม่ทราบว่าบ้านเขาอยู่ไหนผมจะไปรับตัว และอนุญาตให้เขาเป็นผัวเมียกันเลยแต่ขอให้มาอยู่ร่วมกับผมเถอะผมพูดกับเขาอย่างดีใจว่าแต่คําสาบานนะอย่าลืมนะพูดต้องเป็นพูดเราตัวโตกันแล้วเขาย้ําโอ้แน่สิครับผมสํานึกผิดของตัวเองได้แล้วจริงๆผมว่าแล้วก็ซัดเหล้าเข้าไปอีกฉาดเบอ้อเอา้าทามั่นใจในสาบานและผมจะพาไปชี้บ้านในาจรินให้เขาบอกโอ้ยพระโปรดและพ่อลูกเอ้ยพ่อจะไปขอโทษลูกผมพร่ำด้วยความดีใจ ที่เราพูดกันนั้นก็เย็นแล้วผมรีบชวนเขากลับมาร้านผู้ที่ทำงานร่วมแบ่งก็นั่งคอยจะกลับบ้านอยู่แล้วผมสวมเสื้อนอกแล้วก็ใส่กุญแจร้านบอกฝากกับห้องข้างๆว่าให้ช่วยฟังเสียงบ้างถ้าใครมางัดมาแงะครั้นแล้วผมก็ออกเดินตามคนออกมาผลแพร่งไปแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะไปยังไงที่ไหนก็เลยถามเขาดูเขาบอกว่าต้องข้ามฟากไปฝั่งธนบุรีไปหาเรือจ้างเอาที่ปากคลองหลอดแล้วก็จ้างพิเศษเข้าไปคลองเล็กๆ เรียกว่าคลองวัดเสาประโคนเขาพูดว่าฉันน่ะอยู่เลยบ้านนจะรินไปถ้าชี้บ้านให้แล้วเข้าไปหากันเองเนอะฉันจะกลับบ้านฉันละอย่าพูดว่าฉันพามานะเขาจะด่าฉันก็เลยตกลงตามเขาว่าให้เขาชี้บ้านให้ดูห่างๆแล้วก็ให้เขาแยกทางไปเลยเราตกลงกันแล้วก็มาลงเรือที่ปากคลองหลอดไอ้ตำบลที่ว่านเนี่ยผมเองก็ยังไม่เคยไปเลยตั้งแต่เกิดมา เรือจ้างส่งเราที่วัดเสาประคนตามที่ว่าจ้างผมก็จ่ายค่าเรือไปแล้วก็ขึ้นสาลาท่าน้าเดินตามเขาไปวัดนี้เงียบไม่ค่อยมีคนพลุกพล่านนักพอพ้นวัดก็เดินทางสวนผ่านบ้านบ้างไม่มีบ้านบ้างหนทางหลายเลี้ยวค่อนข้างไกลพอสมควรพอมาถึงทางแยกเขาหยุดยืนและชี้มือให้ผมดูบ้านบ้านหนึ่งข้างทางเดินบ้านขนาดพอสบายไม่ใหญ่โตไม่เล็กน้อยผมก็ใจเต้น จะได้พบลูกนายคนนี้ชี้ทางพอเขาชี้ทางแล้วก็บ้านให้แล้วเขาก็แยกไปและย้ำอีกว่าอย่าแพร่งพรายว่าเขาบอกเรื่องนี้นะผมรับปากเขาแล้วก็รีบตรงไปบ้านนั้นเคาะประตูรั้วก็มีเสียงถามว่าใครผมก็ตอบไปว่านายฉัขอมาพบกับนายสำรวยและนายจรินก็มีเสียงบนตัวบ้านคลุกขลักอยู่สักครู่ก็มีคนมาเปิดประตูรับก็บอกเชิญขึ้นไปบนเรือน เมื่อผมขึ้นไปก็พบชายกลางคนกับหญิงกลางคนนั่งอยู่ก็เลยยกมือไหว่ยอย่างนอบน้อมผมถามเขาว่าคุณชื่อสำรวยใช่ไหมเขารับว่าใช่ผมก็เลยถามหานายจรินอ๋อจรินเหรอคะลูกของฉันเองนั่นพ่อเขาคะ่ะหญิงกลางคนพูดอย่างหน้าตึงๆผมยกมือไหว้อีกครั้งแล้วก็เริ่มเดินเรื่องธุระเลยทีเดียวมีคนเห็นนายจรินพาลูกสาวผมมาตั้งหลายวันแล้วแต่ขอเรียนให้ทราบว่าผมมาดีหรอครับไม่ใช่มาร้าย ผมพูดเรียบเรียบและยิ้มโปรยทางไว้ก่อนทั้งสองเจ้าบ้านนั่งนิ่งอึดอักอยู่เป็นครู่แม่นายจรินจึงพูดก่อนจริงน่ะลูกฉันจริงเหรอใครๆก็รู้ทั้งบางนี้แต่การจะพาหญิงมานี่นะสิฉันจนใจเพราะเขาชอบไปเที่ยวกันตามบ้านเพื่อนหลายๆวันบางทีก็กลับบางทีก็ไม่กลับฉันจึงไม่รู้เรื่องนี้จริงๆหญิงคนนั้นพูดแล้วก็ชายตาดูผัวของนางเขายังหนุ่มก็เที่ยวไปผมเองก็ไม่รู้ว่าอย่างไร เขาทำงานทำการแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เลยไม่ได้ห้ามปรามการเที่ยวของเขาก็เลยไม่รู้เรื่องเลยฝ่ายชายพูดต่อความคล้องจองกับผู้หญิงผมถอนหายใจยาวก้มหน้าอยู่นิดนึงแล้วก็เงยหน้าพูดกับเจ้าของบ้านผมเองมันผิดมันเลวครับผมรักลูกดังดวงใจแต่มีกรรมไม่จบบังเอิญได้เมียใหม่มาอีกอายุก็สาวเท่ากับลูกผมนั่นแหละครับก็เลยไม่ลงรอยกันมีแต่เรื่องเออนายนี้ก็แก่เท่าแล้ว ไม่น่าจริฝ่ายหญิงพูดขึ้นอย่างโรงอนิจจังผมก็เลยยกมือไหว้และพูดว่านี่สิครับคุณนายพูดถูกผมลืมสังขารนึกแล้วก็เหมือนกรดที่ทิ่มแทงใจลูกหนีเพราะผมไม่เจียมตัวพอลูกหนีและผมก็กินนอนไม่ได้เลยติดตามไปทั่วทุกหัวระแหงก็ไม่พบแต่นี่นางเมียเขาก็หนีไปอีกดีเหมือนกันครับผมจะได้ไม่ต้องไปตามไปแล้วก็เลิกกันผมรู้ความผิดของตัวเองผมหยุดพูดเพราะตันคอหอย น้ำตาเจ้ากรรมก็ไหลออกมาสองเจ้าของบ้านจ้องมองผมอย่างเวทนาโอ้เรื่องไปกันใหญ่ฝ่ายชายพูดไม่ใหญ่หรอกครับนางเมียไปก็ไปเถอะแต่ลูกน่ะสิครับชีวิตผมขาดลูกก็อกแตกหอบหิวกันมาแต่น้อยไม่เคยตีสักแปะมาเกิดมีเมียสาวนี่แหละครับตีลูกได้เวรของผมตั้งแต่เขาหนีมานี่แหละครับผมกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับ ผมบนบานสารกล่าวขอให้ลูกผมไปกับนายจรินเถอะครับผมสบายใจถ้าไม่ใช่แล้วไปกับคนอื่นเนี่ยผมอกแตกตายแน่ๆผมพูดแล้วก็หยุดเช็ดน้ำตาเอาเธอครับผมมารบกวนมากละผมขอกราบท่านทั้งสองไว้ด้วยถ้าพวกเขาพากันมาที่นี่ท่านช่วยบอกกับเขาด้วยนะครับว่าผมยินดีให้เขารักกันแล้วก็ได้เสียกันแต่เมตตาผมด้วยครับขอให้ไปอยู่กับผมพอเห็นกันเถิดผมขาดเขาผมก็ไม่เป็นตัวของตัวเองละ ผมพูดแล้วก็ไหวอีกครั้งผมขอกราบลาแล้วครับกระเสอะกระเซิงไปอีกตามกรรมผมพูดครั้งสุดท้ายยกมือไหว้าลาและลุกขึ้นยืนเสียงฝ่ายหญิงถอนใจยาวฝ่ายชายอึดอัดขอให้โชคดีครับฝ่ายชายตอบผมเองจะช่วยครับถ้าเขามาผมจะพูดกับเขาฉันก็เห็นใจนายนะเราก็คนแก่ด้วยกันฝ่ายหญิงพูด มีคนมาส่งผมพ้นประตูผมออกสู่ทางเดินเหลียวไปดูบ้านนั้นอีกครั้งก็ใจหายมาแล้วก็ไม่พบลูกน้ำตาไหลอีกผมก็เลยรีบเช็ดแล้วสาวเท้าจ้ำอ้าวออกมาเพราะเวลาพลูเพลสแล้วทางไม่เคยเดินจะปล่อยให้่ําจะยากแก่การเดินยิ่งหัวใจมันท้อแท้อยู่แล้วด้วยชักจะเหนื่อยจำทางพอจะได้มาถึงวัดก็ขมุกขมัว ผมบ่หน้าหักลงถนนไปที่ศาลาท่าน้ำจะคอยเรือผ่านมาพอถึงศาลาท่าน้ำก็รู้ว่าผิดศาลาศาลาที่เคยขึ้นจากเรือไปศาลาโน้นไกลไปอีกก็เลยตกลงใจว่าเอาศาลานี้แหละถ้าเรือผ่านมาก็ลงได้เหมือนกันผมออกไปยืนหัวสะพานมองหาเรือมีแต่เรือค้าขายเขาเข้าไปลึกไม่มีเรือออกผมจึงหันกลับเข้าศาลาที่ศาลานั้นมีคนนั่งคุมผ้าตลอดหัวคนหนึ่ง ผมผ่านไปครั้งแรกเห็นเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้สนใจผมกลับเข้ามายืนเกๆกันกลางหาได้นั่งลงไม้ใจนึกแต่เรื่องผิดหวังมาแล้วก็ไม่พบลูกจะไม่ได้มาที่นี่จริงหรือเปล่าหรือจะมาแต่ว่าแอ บ, บซ่อนตัวเพราะว่ากลัวผมผมหายใจสะท้อนหันไปดูคนคนนั้นครั้นเห็นเขานั่งหันหน้าลงคลองผมก็คอยเรือแล้วก็ภาวนาขอให้มาเพราะจวนจะค่าอยู่แล้วนึกติเตียนตัวเองว่าควรจะนัดเรือให้คอยก็จะดี ใครจะคอยกันนี่เป็นเสียงของผู้คนที่นั่งคลุมหัวอยู่พูดมาและพูดตรงกับใจที่ผมกำลังคิดผมชักโงนใจแต่นึกเสียใจว่าอาจจะตรงกันได้ถมเถไปเพราะการคอยเรือก็ต้องนึกอย่างนั้นเขารู้ใจผมเขาก็สอดพูดขึ้นมาอย่างนั้นนั่นเองผมชักไม่ชอบใจรู้สึกว่ามนุษย์อวดดีเลยไม่อยากถามว่าจะมีเรือหรือไม่มีถ้ามีมาเราก็เห็นข้างๆศาล า, านั้นห่างออกไปมีใครทาอะไรอยู่สองคน คล้ายกับจุดไฟเผาหญ้าเผาใบไม้อยู่ผมไม่ค่อยสนใจนักนึกในใจว่าเดี๋ยวเถอวะเรืออะไรก็ได้ถ้าผ่านมาเป็นขอไปด้วยละนายคนที่คุมโปรงอย่างประหลาดคนนั้นก็หัวเราะแซงขึ้นมาผมชักโกรธ ว, วูบขึ้นไอ้นี่ทําไม่บาก็เป็นคนยวนโทโสอาการถ้าจะถือโทษว่าหัวเราะผมก็ได้เพราะตรงกับใจที่เราคิดอะไรก็พูดออกมาและคราวนี้ผมคิดจะอาศัยเรือมันก็หัวเราะคล้ายเยาะเยะ้ยความคิดของผม แต่ผมสะกดใจซะจะมามีเรื่องกับคนต่างถิ่นและเป็นถิ่นที่ไม่เคยไปเคยมาด้วยอีกประการจะมาทะเลาะกับคนแบบนี้ก็เท่ากับทะเลาะกับคนขอทานคนดีเขาจะมานั่งทำไมที่ศาลาวัดบ้านช่องไม่มีหรืออย่างไรระงับใจแล้วก็เดินวนไปวนมานึกในใจว่าอยากจะกินเหล้าเหล้าเป็นเพื่อนดีนักในยามนี้ผมก็ถูกหัวเราะเยาะ อ, อีกคราวนี้แทบอดไม่อยู่ คิดจะโดดเข้าเตะสะครมให้ร่วงลงสะพานไปแต่ก็อดใจไว้ได้เดินหมุนจีอยู่กับที่แล้วคิดจะไปทางที่เห็นคนเขาเผาอะไรอยู่คงจะคุยกันได้ดีถ่วงเวลาคอยเรือผมจึงมองดูอีกทีว่าสองคนนั้นเขาทำอะไรอยู่พอมองพินิจก็รู้ทันทีว่าเขาทำอะไรผมนึกอยู่ในใจว่าอ้าวเขาเผาผีไม่มีญาติกระมังก็ใช่นะสิ ผมสะดุ้งไปทั้งตัวเพราะชายคนนั้นพูดสอดขึ้นมาและตรงกับใจผมอีกผมหันไปมองความโกรธหายไปนึกสงสัยอย่างประหลาดขึ้นเอ๊ะเห็นจะเป็นผีซะแล้วก็ผีนะสิมันตอบออกมาผมใจวูบยืนตัวชาพอขาดคำมันหัวเราะ อ, อย่างขบขันและในทันใดนั้นเองร่างกายที่คลุมผ้านั่งอยู่ได้ละลายกลายเป็นนกเขาแมวตัวใหญ่บินออกจากาลาไป มีแต่เสียงหัวเราะดังแว่วห่างออกไปผมตกใจสิ้นดีหมุนตัวกลับวิ่งไปตามสะพานตั้งใจจะไปหาพวกสับเปริดที่กำลังเผาผีแต่ใจผมมันเสียและตาลายผมวิ่งไม่ตรงทางไม่รู้เลยว่าผมตั้งหน้าหันลงโคลนข้างสะพานผมร่วงเลิ้ยวลงไปอย่างไม่มีทางยั้งและแล้วก็หมดความรู้สึกไปเลย มารู้ตัวได้สติก็ทราบว่ารุ่งเช้าอีกวันหนึ่งซะแล้วสับ ป, ปะเลอสองคนได้หามผมจากโคลนไปแก้ไขที่บ้านเขาอาบน้ำล้างโคลนผมก็ไม่รู้ตัวมารู้ตัวเอาอีกทีรุ่งเช้าตอนสายสายเมียสับปะรลอช่วยซักกางเกงแพรผมแต่เสื้อนอกซักไม่ไหวคงยังถอดกองอยู่เสื้อในเขาซักให้แล้วเวลานั้นผมกาลังทรงโรงของนายสับ ป, ปะเล ผมได้เล่าเหตุการณ์ที่พบเห็นให้เขาฟังตั้งแต่ลูกสาวหายและไปตามลูกก็ไม่พบก็เสียใจกลับมาถูกผีหลอกซะอีกครอบครัวสับเปลเหลอออกปากสงสารผมทุกคนพอเสื้อกางเกงแห้งผมก็ลาผู้อารีทั้งหมดกลับห่อเสื้อนอกเปื้อนโคลนมาด้วยเออฮ้ผมผู้ฟังในฉ่ำเล่าเรื่องต้องร้องออกมาอย่างเห็นใจคนเราลงเคาะดูมันจะเป็นแบบผีซ้ำดัมพลอยอย่างนี้เทียวครับในฉ่ารับคา ลูกก็ไม่พบใจมันก็เสียมาโดนอย่างนี้เข้าตั้งสติไม่อยู่ถ้าผมใจดีๆเป็นปกติผมสู้มันเด็ดเรื่องผีเรื่องสางเออแล้วลงท้ายลูกคุณลุงก็กลับมาใช่ไหมผมถามครับ พอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเขาก็กลับมากันทั้งคู่ผมเล่าเรื่องให้เขาฟังร้องไห้โฮลูกผมบอกว่าตอนผมไปตามเขาเนะี่ความจริงก็อยู่กันกับลูกเขยผมนั่นแหละแต่กลัวผมไม่กล้าออกมาสู้หน้าพอได้ยินผมพูดอะไรต่อมีอะไรกับเจ้าของบ้านลูกสาวผมร้องไห้อยู่แทบขาดใจเพราะสงสารผมตอนผมออกจากบ้านมาเขาจะวิ่งตามมาซะให้ได้แต่เจ้าของบ้านให้ยับยั้งไว้ก่อนเพราะเขาพูดปดผม ว่าไม่ได้ไปที่เขาถ้าขื้นออกมาพบกันก็เสียผู้ใหญ่ฟังเรื่องแล้วใจแป้วไปด้วยผมว่าแล้วก็หันไปดูอักษรที่เขียนที่ตีนกระจกอย่าเมารักจะลืมแก่ผมถึงยังจะหนุ่มอยู่ถ้าจะต้องจำคตินี้ไวบ้างในชั่มหัวเราะกล้องร้านพอดีผมตัดผมเสร็จแล้วก็เลยลาแกกลับบ้าน